วิเคราะห์ปาติเทสนิยะเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าปาติเทสนิยะตามลำดับภิกษุไม่มีญาติหาโพชนะมาได้ยากรับมาเองแล้วฉันเรียกว่าต้องทาที่หน้าติเตียนภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ ภิกษุณีบงการอยู่ในสถานที่นิมนต์นั้นตามความพอใจภิกษุไม่ห้ามแต่กลับฉันอยู่ในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่หน้าติเตียนภิกษุไม่อาพาธไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธาแต่มีโภคทรัพย์น้อยผู้ไม่ร่ำรวยแล้วฉันในที่นั้นเรียกว่า ต้องทาที่หน้าติเตียนภิสษุอยู่ในป่าที่น่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวฉันอาหารที่เขาไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนในที่นั้นเรียกว่าต้องทาที่หน้าติเตียนภิสษุนีไม่มีญาติขอโภชนะที่ผู้อื่นยึดถือว่าเป็นของเราคือเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย ปลาเนื้อนมสดและนมเปรีว้วด้วยตนเองชื่อว่าต้องทาที่หน้าติเตียนในาศาสนาของพระสุคต